6.19 อย่าปล่อยนาทีทองในสังสารวัตรการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นของยากมากแถมเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเราได้โอกาสที่ดีที่สุดในชาตินี้ที่ได้เจอพุทธศาสนาทั้งยังสนใจศึกษาปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าคุ้มค่าที่สุดถ้าไม่เห็นธรรมมะชีวิตนี้ไม่มีคุณค่าเท่าใดดังนั้นจึงต้องลงมือเดินทางเสียตั้งแต่วันนี้ให้ทันที่หนทางยังมีอยู่ ผู้เดินทางก็ยังไม่ขาดสายก่อนที่เส้นทางนี้หรือร่องรอยหรือรอยเท้าของท่านเหล่านี้จะหายไปหากปล่อยนาทีทองในสังสารวัตรนี้ไปแล้วไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่จะมีการสอนเรื่องการเจริญสติเพื่อการหลุดพ้นขึ้นมาอีก